เมื่อวานแต่กล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะรับพระเวฬุวันมหาวิหารถือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาตอนที่พระองค์จําพรรษาอยู่ที่เมืองพารณสีเมืองพารณสีนั้นก็ถือว่าเป็นอุทยานเนี่ยนะเป็นสถานที่ที่เขาให้อภัยแก่พวกเนื้อพว ก, กวางพ่านสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ของสมณพราหมณ์นักบวชโดยธรรมชาติคำว่างั้นโดยโดยธรรมดา เพราะว่าเป็นอุทยานทั่วไปแต่เวลุวันสวนเวลุวันนั้นถือว่าเป็นพระราชอุทยานของพระราชาเป็นสถานที่ที่พระราชาไปประทับพักผ่อนหย่อนใจโปรงก็ได้ถวายสวนเวลุวันอุทยานเนี่ยนะเป็นพระอารามในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่ถวายเป็นสังฆบูชามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเนี่ยนะก็คือบูชาพระันตรายนั่นเอง เมื่อถวายเสร็จแผ่นดินก็ไหวเนี่ยนะแล้วก็พระองค์ก็แสดงอนุโมทนาว่าการถวายวิหารทานนั้นมีประโยชน์มีคุณานิสงเช่นใดหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะถวายวัดเวรุวันพร้อมกับถวายปัจจัยสี่อะไนถวายอาหารเป็นต้น แต่เราก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติอะไรเนี่ยนะวันนั้นไม่ได้อุทิศส่วนกุศลเพราะว่าไม่มีผู้แนะนําว่าเวลาทําบุญทํากุศลนั้นควรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติทั้งหลายด้วยคําว่าอุทิศส่วนกุศลนั้นก็คือยกบุญที่ได้ทํานี้ให้แก่ญาติในในคละคนะโลกอ่ะนะคนะเรียกว่าคนละภพคนละภูมิเหมือนั้นเถอะพันญาติของพระเจ้าพิมพ์พิสารเมื่อเก้กับที่แล้วเนี่ยนะนะเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุสสะ สมัยนั้นเนี่ยเชเดนสาพี่น้องเนี่ยเป็นเป็นลูกของพระราชาพระราชาพระองค์หนึ่งอ่ะนะมีมีบุตรบุตรของท่านนั้นก็ได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้ก็มีน้องชายต่างมารดาของพระพุทธเจ้าก็คือเนี่ยอดีตชาติของพระอุรุเวลกัสป ะ, ะนะซึ่งท่านเหล่านั้นก็ได้บวชถือศีลสิบตลอดพรรษาประพฤติธปฏิบัติธรรมในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทสสก นในระหว่างนั้นเนี่ยนยะเจ้าชายโดยเฉพาะเจ้าชายอุรเวละกัสปะเป็นต้นเนี่ยนาทีกัสปะขยากัสปะพร้อมกับทหารเนี่ยออกมาบวชถือศีลสิบเนี่ยนะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ตลอด3เดือนก็เลยแต่งตั้งให้หัวหน้าที่เรียกว่าเป็นหัวหน้าคนงานหรือหัวหน้าคนเก็บสวยของตัวเองคืออดีตชาติของวิสาขะเศรษฐีกับอดีตชาติของพระเจ้าพิมพิสาร ก็ให้พระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยเป็นหัวหน้าดูแลเรื่องการทําบุญถวายสังฆทานเนี่ยตลอดพรรษาพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอดีตชาตินั้นก็เป็นหัวหน้าก็เลยชวนญาติประมาณ 84%00 มคนเนี่ยให้มาร่วมทํากับข้าวเลี้ยงพระสงฆ์เนี่ยเพราะว่าสงฆ์ในช่วงนั้นเน่ยเยอะมากเลยนะสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระสงฆ์เยอะมากก็เกณฑ์เอาญาติทั้งหลายมาช่วยกันทําครัวนี้ญาติทั้งหลายที่มาร่วมกันทาครัวนั้นก็ชวนทั้งลูกเล็กเด็กแดงมากันเนี่ยนะ ลูกเล็กเด็กแดงวันแรกๆ ก, ก็ทําบุญด้วยความเคารพดีหรอกวันต่อไปลูกเล็กมันก็ร้องกินอะ่ะกับข้าวหอมๆเป็นต้นนี่ก็นึกหิวขึ้นมาทําไงดีลูกมันหิวอะ่ะลูกมันหิวแม่ก็อดใจไม่ได้ก็เลยตักอาหารนั้นให้ลูกอาหารนั้นเป็นอาหารที่เขาอุทิศเจาะจงแด่พระรัตนตรยัยเจาะจงไปหาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนพวกคนครัวก็เลยหบอกลูกหิวก็เลยตักให้ลูกไปไอ้วันแรกก็ให้แค่ลูกวันที่สองเอามั่งนะวันต่อไปก็เอาบ้างก็เลย ทะเลเขาเรียกว่ากินอิ่มแล้วตีกันในโรงครัวก็มีเท่านั้นพวกนั้นก็เลยด้วยกรรมเหล่านั้นเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละตกเป็นเปรตตกนรกอยู่นานถ้ากล่าวตามนั้นก็บอกว่าตกนรกอยู่หลายกลับด้วยซ้ําไปแล้วก็มาถึงชาติเนี่ยชาติหลังสุกก็มาเป็นเปรตแล้วเป็นเปรตมาตั้งแต่ต้นต้นกับด้วยนะไม่ใช่เพิ่งมาเป็นสักไม่กี่ล้านปีเนี่ยนะ เป็นเปรตมังกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วเมื่อไหร่จะได้เสวยเมื่อไหร่จะได้ทานเมื่อไหร่จะได้บริโภคอาหารก็หลายกันนะจนมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะก็บอกว่ารอแผ่นดินสูงประมาณหนึ่งโยต์สาคาวุฒก็เฉลี่ยสัก20่กิโลเนี่ยนะแผ่นดินสูงขนาดนั้นอนะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมจะมาอุบัติญาติของเธอจะเป็นพระราชา น, นามว่าพิมพิสารจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตพวกนี้ก็อดใจรอมานานพอมาถึง วันนั้นอ่ะพระเจ้าพิมพิสารถวายอาหารเนี่ยเพราะตัวเองก็นึกไม่ออกนะเพามันกี่กลับมาแล้วก็ไม่รู้ญาติอ่ะญาติแต่ปางไหนชาติไหนก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติพูดแบบภาษาเราเรียกว่าไม่ได้กรวดน้ำเนี่ยนะที่คุ้เคยก็คือไอ้กิจกรรมการกรวดน้ําไม่ได้กรวดน้ํายกบุญอันนี้ให้ให้แก่ญาติญาติก็เลยมาเ อ, อะอะโวยวายเขย่าบ้านเขย่าเมืองทั้งคืนเลยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนอนไม่หลับเลยคืนนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะ ถ้าหาว่าไปถามคนผิดเนี่ยน่าจะมีปัญหาเหมือนกันบอกโอ้เนี่ยพอทำบุญเสร็จเนี่ยบ้านเมืองส น, นันวันไว้ไปหมดแต่โทษบุญโทษกุศลไปอีกซ้ำด้วยซ้ําแต่นี้ไม่ไปถามพระพุทธเจ้าปองก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์เนี่ยทำบุญแล้วก็ไม่อุทิศส่วนบุญไม่ยกส่วนบุญไปให้แก่ญาติทั้งหลายพระเจ้าพิมพ์ิสารก็บอกว่าถ้าข้าพระองค์ทําบุญแล้วอุทิศเนี่ยญาติจะสําเร็จไหมก็สําเร็จพระเจ้าพิมพ์พิสารก็เลยทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยนะถาวายอาหารเสร็จถาวายเนี่ยกบุญส่วนกุศลเน ที่เรียกว่ากรวดน้าก็คือคําว่าอิทังโนยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยเนี่ยนะอิทางโนยาตินังโหตุก็บอกว่าอิทังโนก็คือบุญที่ได้ทําไปแล้วนี้ขอจงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข น, นะนะสุกิตาโหตุยาตโยก็ให้ญาติทั้งหลายทุกท่านมีความสุขกันนะก็บุญเหล่านี้ขอยกให้แก่ญาติขอให้ญาติทุกคนมีความสุขเปรตทั้งหลายเหล่านั้นก็อนุโมทนา แล้วก็ทําบุญอย่างอื่นอีกก็ในที่สุดก็จุติจากเปรตมาเป็นเทวดาแล้วก็ฟังธรรมฟังธรรมก็บรรุทธรรมกันหมดนแมแต่แมมสงครามโชคเลือดมาตลอดะอดอยากหิวโหวยกว่าจะได้ตรัสรู้กับเขาแน่นอนมากผมก็เลยแสดงตีโรกุทธการทศสูตรนี่นะอยู่7วันด้วยกันแต่ละวันก็ในธรรมบทกับในเปรตวัตถุกล่าวว่าบรรลุวันละ 84% พันเนี่ยนะ เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสังเวชถึงทุกโทษบากปรกรรมความชั่วที่ได้ทำมาเนี่ยนะไปเกิดในภพภูมิโดยเฉพาะเปรตสัตว์ทั้งหลายก็สังเวชสลดใจในพระองค์ก็ยังประทับอยู่ที่วัดเวรุวันมาเรื่อยโดยสมัยนั้นแลสัญชัยปริพาชกอาศัยอยู่ในพระนครราชครึกพร้อมด้วยปริพาชกบริษัทมูญ่จานวน250คน ก็ครั้งนั้นสารีบรและพระโมคขลานะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในสำนักของสันชัยปริภาโชคพระสารีบทเนี่ยกล่าวว่าท่านก็ออกบวชเนี่ยนะคือท่านก็เป็นลูกเศรษฐีของอุปติสักามกับโกลิตะคามเนี่ยนะทั้งสองคนเนี่ยก็เป็นลูกของเศรษฐีที่มีทรัพย์มากแต่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปดูละครไปดูละครที่เรียกว่าดูการละเล่นเนี่ยดูไปดูมาก็ดูเออคนแสดงเนี่ยนะ ไม่ถึงร้อยปีก็ไม่หรือไ ม, ไม่เหลือชื่อเหลือโคตรแล้วเนี่ยร้อยปีนี้ก็จบสิ้นหมดแล้วพวกเนี่ยที่กําลังร่ายรำอยู่บนเวทีละครไอ้พวกคนมาดูนี่ก็เหมือนกันแหละไม่ถึงร้อยปีเดียวก็สิ้นชื่อสิ้นนามสกุลสิ้นโคตรหมดแล้วว่างั้นก็เลยสลดสังเวชใจแล้วเราจะมัวเพลิดเพลินอะไรมันเราควรสแสวงหาธรรมที่เรียกว่าวิโมกธรร ม, มวิโมกหรือธรร ม, มะเป็นที่หลุดพ้นจากความเกิดและความตายมันเราควรสแสวงหาธรร ม, มะเถอะก็เลยชวนกันมาบวช ามาบวชนี่ก็บวชอยู่ในสำนักของอาจารย์สัญชัยเรียนอยู่สองสามวันก็จบวิชาหมดเลยบอกอาจารย์ลัทธิของอาจารย์มีเท่านี้หรือบอกใช่เธอเนี่ยเรียนจบแล้วภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะเขาบอกมันไม่ใช่นะลัทธิอันนี้จริงจริงลัทธิของอาจารย์สัญชัยเนี่ยลัทธิปลไหลไม่รู้ว่าภาษาริบุตรไปอยู่ได้ยังไงยังแปลกใจเลยนะบอกว่าเขาถา ม, มาท่านว่าเป็นกุศลใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่าเป็นอาภูศลใช่ไหมบอกไม่ใช่ท่านว่า เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ท่านว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันลทัทธิกรล่อนมากๆเลยนะยังแปลกใจว่าภาษารีบุตรไปอยู่ได้ยังไงแต่ว่าอยู่ก็อยู่ไปอย่างงั้นแหละไม่ได้อยู่นับถืออะไรนี่ก็ก็อยู่ในสํานักของอาจารย์สันชยัยเขบอกว่าสาระของลทัทธินี้ไม่มีก็มาคุยกับพระโมคคัลลานะ ว, าว่าเราแสวงหาอาจารย์กันเถอะใครหาพบ สแสวงหาโมฆะธรรมก่อนใครบรรลุอมัฏธรรมก่อนผู้นั้นจงบอกอีกคนหนึ่งภาษาเรีบวุฒินี้ก็เที่ยวสแสวงหาอาจารย์เนี่ยนะเที่ยวสนทนาลัทธิต่างๆอยู่95อาจารย์อาจารย์แรกๆก็ไปฟังดูเขาว่างไงว่าครั้งหลังๆสุดเนี่ยไปเที่ยวตอบปัญหาพวกอาจารย์เจ้าลัทธิก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยกลับมาเมืองราชครึกตามเดิมเรียกว่าเที่ยวแสวงหาอาจารย์เพราะว่าในพระพุทธศาสนาถือว่าผู้ที่จะบรรลุได้ด้วยลําพังด้วยตัวเองมีสองท่านเท่านั้นคือ พระพุทธเจ้ากับพระปเจกพระพุทธเจ้าส่วนสาวกถ้าไม่ได้ฟังธรรมไม่ใช่ไม่ใช่วิสัยไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความสามารถพอที่จะปฏิบัติธรรมทำที่สุดแห่งทุกโดยลาพังของตนแต่ก็ช่วงนั้นก็ยังเที่ยวสแสวงหาอาจารย์ทุกวันเลยนะสแสวงหาว่าที่ไหนเขามีการบรรลุธรรมที่ไหนที่เขามีการบรรลุธรรมะอย่างที่เราต้องการเพราะว่าท่านต้องการอะไรท่านต้องการพ้นจากความแก่และความตาย ท่านต้องการบทอันสงบที่ปราศจากสังขารโดยประการทั้งปวงเป็นบทที่ดับทุกข์อะบทเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนใครบอกได้บ้างก็ทำกติกาว่าผู้ใดบรรลุอมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายอันนี้ก่อนผู้นั้นจะต้องไปบอกให้แกอีกคนหนึ่งครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอัศเชนุ่งอันตรวาสศกแล้วถือบาดจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครราชครึกมีมัญญาตก้าวไปและถอยกลับ แผลเหลียวคูแขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมสมีในตาทอดลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบถก็ธรรมดาผ้าหาันผู้ผ่านการฝึกด้วยสมถะและวิปัสสนาฝึกด้วยอริยคุณทั้งหลายฝึกด้วยโซดาปฏิมักสกะทาคามิมักอนาคามิมักฝึกด้วยอรหัตตมักดับเชื้อสิ้นกิเลสหมดกิเลสหมดตัณหาะนั้นอิริยาบถของท่านมีมาหากริยาเป็นสมุทฐาน มหากิริยาสมุธฐานที่ผ่านการบ่มด้วยอริยคุณทั้งหลายมีโลกุตระคุณเป็นต้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้เพรามหากิริยา น, นั้นอะที่เป็นสมุธฐานแห่งการก้าวไปถอยกลับการคู่การเหยียดเนี่ยทุกอย่างดูแล้วน่าเลื่อมใสขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีในตาทอดลงในตาทอดลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบถเนี่ยนะก็คือเป็นผู้ที่ระแวดระวังก็บอกว่าผ้รหันทั้งหลายเหมือนอะไรเหมือนโคเขาขาดว่างั้น เหมือนโคเขาขาดเื่าโคที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีแต่ไม่มีเขาเนี่ยนะก็จะเดินด้วยกิริยาที่สงบภาษาบุตรปริภาชกเนี่ยนะได้เห็นพระสาชชิกำลังเที่ยวบินธบาตในพระนครราชรึกมีมารยาทก้าวไปถอยกลับแปลเหลวคู่แขนเหยียดแขนหน้าเลื่อมใสมีในตาทอดลงถึงพร้อมด้วยอิริยาบถพอเห็นอย่างนั้นแล้วก็มีความคิดว่าบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย พาหันคือบรรดาผู้ไกลาจากกิเลสทั้งหลายบรรดาผู้กำจัดข้าศึกคือกิเลสทั้งหลายบรรดาผู้หักซี่กรรแห่งสังสารจัตทั้งหลายบรรดาผู้ไม่มีความลับในการทำบาปทั้งหลายบรรดาผู้ควรกราบควรไหว้ควรสักการะทั้งหลายหรือผู้ที่ได้บรรลุมรักอันสมควรแก่อรหัตผลก็คืออรหั ต, ตมรรคในโลกภิกษุรูปนี้คงเป็นผู้ใดผู้หนึ่งแน่นอนในจำนวนพระาหันทั้งหลายที่มีอยู่ในโลก พระรูปที่เดินองค์เนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์แน่นอนเนี่ยนะก็เลยคิดว่าถ้ากระไรเราเพิ่งเข้าไปหาภิกษุรูปนี้แล้วถามว่าท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจในธรรมะของใครแต่ก็คิดว่าจะไปเข้าไปถามเลยว่าท่านเนี่ย หมายว่าบวชเฉพาะใครหมายว่าชีวิตของท่านเนี่ยเจาะจงยกให้ใครใช่ไหมอย่างสมมุติว่าอย่างในโลกเนี่ยเขาทำงานให้บริษัทไหนเป็นต้นเขายัางมีใช่ไหมใครมีใครเป็นนายทําเพื่อใครทําไปทําไมหรือรับราชการเป็นต้นก็คือรับราชการก็คือทํางานให้พระราชาเป็นต้นเอาแล้วนักบวชก็เหมือนกันแล้วท่านบวชแล้วท่านบวชอุทิศชีวิตให้แก่ใครใครเป็นาศาสดาของท่านคือเป็นผู้แนะนําสั่งสอนประโยชน์ทั้งหลายให้แก่ท่าน ใครเป็นผู้พาท่านให้ข้ามออกจากทุกข์หรือท่านชอบใจธรรมะคือลัทธิของท่านผู้ใดลัทธิคือชอบทิฏฐิของใครว่างั้นนะ่ะถือเอาทิฏฐิของใครเป็นประมาณแต่ก็คิดว่าเอถ้าเราเข้าไปเวลานี้ไม่สมควรนะท่านเป็นผู้มีปัญญามากอนะก็เลยว่าเวลาที่จะเข้าไปทําในจังหวะช่วงนี้ไม่สมควรเพราะท่านกําลังเข้าละแวกบ้านเที่ยวบินทบาทเพราะฉะนั้นเราพึงติดตามพิสูรรูปนี้ไปข้างหลังไปข้างหลัง เพราะเป็นทางผู้อันมุ่งประโยชน์ทั้งหลายต้องสนใจพะนั้นก็เห็นแล้วว่าโอ้คนนีมีของมีมีอริยคุณมีคุณธรรมมีอะไระท่านเป็นผู้สามารถให้ประโยชน์แก่เราได้พรนะเราต้องติดตามท่านไปเนี่ยนะเรียกว่าม้อะไรนะเห็นเห็นอะไรที่มันมีค่าที่สุดก็ควรจะติดตามไปซึ่งเป็นลักษณะของอในจังกีสูตรเป็นต้นที่บอกว่าผู้มีศรัทธาและเข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาแล้วก็ นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงฟังเมื่อฟังแล้วก็ทรงจําเพราะอันนี้เป็นเบื้องต้นเนี่ยนะพอเห็นผู้ที่ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะก็มีศรัทธาติดตามเพราะตัวเองเป็นผู้มุ่งประโยชน์อัน น, นประโยชน์อะไรเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ตนเนี่ยที่ที่ตั้งเป้าหมายในการเข้ามาบวชก็คือการบรรลุอมะตะธรรมอมะตะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายมีจุดหมายที่ชัดเจนว่าต้องการสแสวงหาธรรมที่ไม่ตาย คุณธรรมที่จะเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ไม่ตายนั้นจะต้องมีผู้แนะนำผู้ใดที่จะให้คำแนะนำเราเข้าถึงธรรมะอันไม่ตายก็เห็นว่าพระสัชิเนี่ยช่วยได้แน่ก็เลยติดตามไปข้างหลังข้างหลังไปครั้งนั้นท่านพระสัชิเที่ยวบินทบัตในพระนครราชครึกถือบินธบัตกลับไปแล้วเนี่ยนะก็ภาษาริบุตรปริภาชกก็เข้าไปหาท่านพระสัชช เธอคือพระอัสชิไปถึงนะไปหาที่ที่มันสปายะแห่งหนึ่งก็นั่งฉันไปเมื่อนั่งฉันพระสารีบุตรก็ไปจัดแจงเสนาสนะคอยถวายน้ําคอยอะไรคอยปรนิบัติรับใช้พระอัสชิพอพระอัสชิฉันเสร็จรสารีบุตรปริภาชกก็เข้าไปหาแล้วก็พูดจ่าปราศัยกับท่านพระอัสชิก็ผ่านการปราศัยพอให้เป็นที่บันเทิงพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วนะหลักการก็มีว่า สัมโมสเียกถากับสารานียกถาผู้แล้วบันเทิงร่วมกันผู้แล้วทุกฝ่ายสบายใจผู้แล้วทุกคนสามารถระลึกถึงกันได้จดจําแต่สิ่งที่ดีต่อกันและกันได้เรียกว่าสัมโมสนียกถาสารานียกถาเสร็จแล้วก็ได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งภาษาดิบุตรปริภาชกยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวคํานี้กับท่านพระสชิว่า อินทรีย์ของท่านเนี่ยผ่องใสผิวพรรณของท่านก็บริสุทธิ์ผุดพองท่านบวชอุทิศเจาะจงเฉพาะใครใครเป็นศาสดาผู้สั่งสอนท่านหรือท่านชอบใจธรรมะของใครครับมับงั้นพระสัชิก็บอกว่ามีอยู่คือคือท่านก็บอกว่าท่านไม่ใช่สัพพัญยูนะคือท่านเนี่ยมีอาจารย์อยูอ่ท่านนั้นก็คือพระมหาสมณะสากยะบุตร ธรหาสมณะสักยบุตรนั้นเสด็จออกผนวตจากสากยาสกุลเราบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดา ข, ของเราและเราชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็คือรู้กันอยู่แล้วนะว่าการที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนั้นชื่อเสียงของการที่ท่านสละวังออกบวชเนี่ยนะโด่งดังไปทั่วไปหมด มันอ้างว่าผู้นั้นแหละคือศาสดาของเราเนี่ยนะคือสักยบุตรนั่นแหละเป็นศาสดาของเราทีนี้ที่สำคัญพระสารีบุรก็ถามต่อว่าก็ศาสดาของท่านสอนอย่างไรแนะนำอย่างไรเนี่ยนะ คำว่าสอนก็คือสอนเนี่ยนะคือคือคำสอนอันเรียกวันุสาสนีเนี่ยนะเอวังพระหุลังสาวเกสุอนุสาสนีพระหุลาปวัตติเนี่ยไอหลักการคำสอนที่พร่ำสอนแนะนําชี้แจงเป็นปกติของของคำสอนของาศาสดาท่านเป็นอย่างไรแล้วแนะนําอย่างไรแนะนําก็คือวินีติวินัยเนี่ยท่านมีระบบอ่าวินัยข้อปฏิบัติเพื่อกําจัดบาปอกุศลเนี่ยแนะนํากันอย่างไรภาสชีก็ออกตัวก่อนทั้งที่ท่านก็บอกว่า เราเป็นคนใหม่บวชไม่นานพรรษาเศษเองพรรษาเศเพราะท่านเป็นหนึ่งใน5ในจำนวนพระปัญจวัคคีเนี่ยนะท่านก็คือองค์สุดท้ายที่บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อแรมสี่ค่ำเดือน8เนี่ยนะแรมสี่ค่เดือน8แล้วก็บรรลุเป็นพระอระหันต์ในวันที่แสดงอนัตตะลักษณะสูตรหลังจากที่ออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าใช้ให้พระสงฆ์สาวกทั้ง60รูปเนี่ยนะ พาหันทั้ง60รูป61รวมทั้งพระองค์เนี่ยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาพาสิ่งนี้ก็ท่านก็จาริกไปแล้วก็ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าตอนนี้ประทับอยู่ที่เวลุวันกัลันทกะนิวาปสถานท่านก็เลยจะเข้ามาเฝ้ามากราเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะนั้นก็หลังจากที่เข้าเฝ้าเสร็จก็ไปบินทบาทฉันนะฉันอยู่ในเมืองพระสารีบุตรก็ไปเห็นพอดีก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนใหม่บวชยังไม่นานจริงพระพุทธศาสนาก็ยังมีไม่นานเหมือนกันเลยนะ พระเราเพิ่งมาสู่ธรรมวิ น, นัยนี้เราไม่อาจจะแสดงธรรมแก่ท่านอย่างกว้างขวางแต่จะกล่าวแต่ใจความแก่ท่านโดยย่อคือไม่สามารถแสดงแบบพิสดารอะไรหรอกแต่ว่าจะเอาแต่สาระไปแล้วกันเอาแต่ประโยชน์เอาแต่หลักการก็แล้วกันแต่และแสดงโดยย่อด้วยนะภาษาที่บทนี้ก็กล่าวถึงว่าท่านเป็นผู้มีปัญญา ม, มากท่านก็เลยบอกว่าจะน้อยหรือจะมากก็นิมนต์กล่าวไปเถิด ท่านจงกล่าวแต่ใจความแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นท่านจะทําพยัญชนะให้มากไปทําไมก็คือท่านคือท่านมีปัญญามากเอาเป็นว่าจริงๆอ่ะสอนอะไรแค่นั้นแหละอยากรู้แค่นั้นอ่ะคําที่เรียกว่าน้ําท่วมทุ่งไม่จําเป็นเหมือนกันขอแต่สาระตรงนั้นก็พอแล้วก็ดูนะของเราในชอบฟังแบบนั้นนะเอาแต่สาระก็พอเนี่ยนะฟังแล้วก็อืมดูนะจะเอาแต่สาระก็พอหรือเปล่าแค่นะั้นแหละหรือต้องขยายอีก ตอนแรกก็บอกเออเอาแต่ใจความก็พอนะพอฟังใจความนะ่ะขยายหน่อยไม่ได้หรืออย่างเงี้ยนะตอนแรกก็บอกเออขอแต่ใจความอาขอแต่อัฏ ฐ, ฐสาระเนื้อหาที่มันตรงตัวไปเลยแต่พอพูดจบปับ๊บแบบขยายหน่อยไม่ได้หรืออย่งเ้ยพรสชชิก็กล่าวธรรมปริยายนี้เป็นคถาว่าเยธรรมมาเหตุตุปปาวาเยสังเหตุงตถาคตอาหะเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าธรรมเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเยธรรมมาเหตุตุปปภาวเนี่ยนะ ทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมะเหล่านั้นอันนี้ฟังเข้าใจัหมว่าเป็นการกล่าวทุกขษัตย์กับสมุทัยสัตวร์เรียบร้อยแล้วเ ย, ย, ยธรรมาเหตุตุปภวาเยธรรมาก็คือทรรมทั้งหลายหรืออุปาทานกันห้าก็คือต้องไม่ลืมว่าภาษาริบุตรท่านมหาอะไรท่านมหาธรรมะเป็นที่ไม่ตาย นันถ้าบอกว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดแปลว่าสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดามีเหตุเป็นแดนเกิดเช่นชรามรณะมันมีเหตุเป็นแดนเกิดนะแล้วอะไรเป็นเหตุแดนเกิดของชราและมรณะก็บอกว่าชาติแล้วชาติทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดคือพบพทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดคืออุปาทานอุปาทานก็มีเหตุเป็นแดนเกิดคือตันหาตันหาก็มีเหตุเป็นแดนเกิดคือเวทนาเป็นต้นนั้นก็สาวไปได้เลยบอกว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงเหตุเกิดของธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมะเหล่านั้นแปลว่าไอ้คาว่าดับก็คือดับเหตุถ้าการที่จะดับผลได้ต้องดับที่เหตุพราะถ้าจะดับชรามรณะได้ต้องดับชาติถ้าจะดับชาติได้ต้องดับภพถ้าดับภพได้ก็ต้องดับอุปาทานพระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้หรืออีกพูดอีกในหนึ่งธรรมเหล่าใดธรรมเหล่าใดก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็เหตุเกิดของขันห้าแล้วก็ความดับของขันห้าถ้าฟังแล้วเข้าใจเข้าใจตามนั้นเลยเห็นตามนั้นจริงอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิอันนั้นเป็นมรดกโดยธรรมชาติผููแต่อะไรนะแค่เรียกว่าคนตาดีอยู่แล้วแสดงแต่สิ่งนั้นให้ดูก็ถือว่าการเห็นก็เรียบร้อยแล้วเพราะมรดกทั้งหลายมีอัตถาว่าทัศนโถมรดกทั้งหลายก็คือมรดกคืออะไรมรดกคือธรรมะที่ไปเห็นอุปาทานกันหไปเห็นเหตุเกิดของขันห้าไปเห็น ความดับของขันห้ามันก็พระพุทธเจ้าเน้นพิเศษคือการดับเหตุเกิดแห่งขันห้าพระมหาสมณะทรงสั่งสอนอย่างนี้พอฟังธรรมะปริยายนี้เท่านั้นแหละดวงตาเห็นธรรมปราศจากผุลีปราศจากมนทินว่ายังกินจิตสมุทยยทำมังสับพันทางนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นอริยสัจเลยนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออุปาทานขันหัก สมุทยัทยศาสตร์เกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปาทานกันถ้าถ้าดับก็ไปเพราะเหตุดับท่านก็ฟังและโสดาปฏิมักเห็นอริยสัจเลยพอบรรลุอริยสัจเป็นพระโสดาบันเท่านั้นพระสารีบุตรก็กล่าวว่าธรรมนี่และท่านนีพานนี่แหละถ้ามีก็เพียงเท่านั้นท่านทั้งหลายจงแทงตลอดบทอันหาความเศร้าโศกไม่ได้บทอันหาความเศร้าโศกไม่ได้พวกเรายังไม่เห็นล่วงเลยมาแล้วหลายหมื่นกับ คือชีวิตในช่วงหลายหมื่นกับหลังๆมาของท่านเนี่ยเป็นชีวิตที่หาสิ่งเดียวเท่านั้นคือหาพระนิพพานแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นนักบวชติดกันอ่ะห้ารอชาตินักบวชแบบบวชติดๆ น, นะหมายความว่าชาติไหนที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นนักบวชแม้กระทั่งถามว่าเอาและชาติสมัยพระพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดนรภาษาที่บตรบวชไหมบวชเป็นอจจุตระรืีเนี่ยนะเป็นรือศีที่อยู่ต้นทางที่ไปสู่เขาวงกฎนะ่ะ ท่านก็เป็นฤาษีท่านก็ได้อภิญยาด้วยนะท่านก็มีฤทธิ์แล้วก็เป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์มีมีคุณธรรมเนี่ยติดติดกันนี่500ชาติด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็ท่านบอกว่าท่านสแสวงหาเนี่ยสแสวงหาบทอันไม่ตายบทนี้แหละบทอันเป็นที่ดับทุกบทเป็นที่สงบชรา ม, มรณะนี่แหละหาหาบทที่พ้นจากโสกปริเทวะทุกขโทมรัะอุปาญาตแสวงหาบทอันนี้เนี่ยเพราะไม่เห็นบทอันนี้แหละ ชีวิตล่วงเลยมาแล้วล ห, ห, หลายหมื่นกลับเนี่ยนะหามาหลายหมื่นกลับแล้วนะของเราเนี่ยหาเมนะื่อไหร่เนาะเริ่มหาจริงๆอะหาเอ้หาธรรมะที่พ้นจากโศกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาตเนี่ยเริ่มตั้งเมื่อไหร่เริ่มตั้งเมื่อไหร่ต้องนะฮมันเอาจริงๆนะมันเอ๊ะจะจะหาหาจริงหรือว่างั้นอะที่พ้นจากโสกปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตธรรมะที่พ้นจากความตาย เคยไปงานศพมาเห็นศพปั๊บเนี่ยนึกเลยว่าเราจะต้องต่อไปเราต้องตรัสรู้รมเป็นที่ไม่ตายเคยคิดอย่างนี้บ้างไหมถ้าคิดอย่างนี้บ้างก็อาจจะเชื่อนะว่าจริงอ่ะนะแต่ถ้าแบบไปงานศพก็เออก็ศพก็ไม่ใช่ศพเรากันแล้วกันนะ น, นะก็ศพคนนั้นศพคนนี้เราไปร่วมบางสกุแลแบบก็ถ้าอย่างนี้ก็อีกนานอ่ะนะเขไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอก็อมันก็อยู่นานอยู่แล้วล่ะแต่พูดถึงว่าถ้าคนที่มีใจมีอัธยาศัยจริงๆเนี่ยเขาบอกพอเห็นชรามรณะปั๊บ เราต้องทําให้แช้งธรรมะที่ดับชราและมรณะให้ได้สักวันหนึ่งเธอจะต้องรู้จักธรรมที่ดับชราและมรณะแน่นอนหรือไม่ก็พอเห็นเด็กเห็นคนเกิดเห็นคนมีคันเห็นเด็กอ่อนเห็นคนที่จมอยู่กับกองทุกข์บอกว่าเราต้องรู้ธรรมะเป็นที่พ้นทุกข์เหล่านี้ให้ได้เห็นเขาทํากรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อนําไปสู่พบใหม่เราต้องตรัสรูปทมเป็นที่ดับกรรมแน่ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่า นิสรณนัฐทยาศายดูท่าจะมีกำลังแต่ถ้ายัางนั้นก็อินซะีอ่อนมากนะถ้าอินซีอ่อนมากนานั้นทำยังไงก็มีอย่างเดียวก็บ่มอินซีต่อไปเนี่ยนะเว้นแต่ตาไม่ต้องบ่มมากมันก็แก่อยู่แล้วแ่ะแต่พูดถึงว่าถ้าศรัท ธ, ธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ต้องบ่มต่ อ, ตอไปถามว่าบ่มได้ยังไงวิธีบ่มศรัท ธ, ธาบ่มศรัท ธ, ธาเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามศึกษาว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านสแสวงหาเนี่ยก่อนมาบวชท่านสแสวงหาอะไรแล้วท่านพบสิ่งนั้นะท่านพบอะไรแล้วพระพุทธเจ้าเที่ยวโอวาสสั่งสอนสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วสาวกเหล่านั้นเขาบรรลุอะไรเขาบรรลุว่ายังไงเขาคิดอย่างไงเขาจึงบรรลุของเราก็ฟังสูตรเดียวกันนี่แหละแต่ทำไมเราฟังแล้วก็ ก, ก็ก็ดีอะนะก็ไม่ได้ว่าไม่ดีลนะแต่ว่าเราก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยนะ ก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยไปที่ไหนก็ไม่ค่อยเล่าอ่ะเออเนี่ยวันเนี้ยพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะสูตรนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เราก็ว่าไม่เห็นว่าตามได้เลยเรื่องมันเกิดอะไรขึ้นมันเข้าใจผิดพลาดตรงไหนมันอะไรยังไงเนี่ยนะคือเราเนี่ยต้องต้องเป็นทําตัวเป็นคนใหม่อยู่เสมอในการศึกษาพระธรรมอ่นนะถ้าเราทําตัวว่าเราคุ้นเคยเมื่ อ, อไหร่นะจบเลยเพราะอะไรเพราะความประมาทจะเข้ามาเต็มหัวใจเลยแต่ถ้าเราต้องแบบ ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสอนพระพิสุเส ม, มอว่าสะพ้ายใหม่นะต้องไม่ลืมก็คือหมายความว่าจะต้องเข้ามาเป็นตัวเหมือนคนใหม่เหมือนไม่เคยได้ยินเนี่ยนะเข้ามานี่เคยอย่างพระสู่ทั้งหลายเนี่ยวันไหนที่อ่านพระไตรปิฎกไม่รู้เรื่องวันไหนรู้ไหมวันที่อวดว่าตัวเองเป็นบัณฑิตอุ้ยเล่นเรื่องนี้ก็อ่านแล้วิกนี้ก็อ่านแล้วนี่ก็อ่านแล้วนี่ก็อ่านแล้วนี่ก็รู้แล้วนี่ก็รู้แล้วนี่ดูที่นี่หัวหนึ่งของสามสี่ห้ารู้หมดละวันนั้นนะ กูสนไม่เจริญที่สุดเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดแห่งชีวิตวันที่รู้สึกว่าบุญมันลดลงมากที่สุดแต่ถ้าอู้พสูตรนี้มันต้องพิเศษสิทําไมท่านจึงบรรลุกันอะทําไมท่านจึงบรรลุกันแล้วท่านบรรลุกันว่ายังไงบรรลุอย่างไรท่านคิดยังไงท่านจึงบรรลุบรรลุว่าอย่างไงเนี่ยนะอู้เพราะอ่านขึ้นใหม่นะ เ, เหมือนไม่เคยอ่านก็คิดมาปั๊บเหมือนก็ไม่เคยอ่านเลยเหมือนกับว่าเกิดมาเพิ่งอ่านสูตรนี้เป็นครั้งแรกดีจริงๆเลยเดี๋ยวมาหลังมาอ่านใหม่ แล้ววันหลังมาอ่านอีกก็ทําตัวเหมือนว่ารู้ไปหมดอีกก็เอาอีกแล้วก็ต้องกลับมาใหม่แบบโอ้นี่เหมือนไม่เคยฟังนะแล้วจะเข้าใจเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วปีต่อปีเนี่ยนะถ้าทิ้งไว้สักปีหนึ่งแล้วมาคิดใหม่เออไอตอนนั้นมันมันเด็กๆจริงๆเลยนะจะว่าไม่รู้มันก็รู้แต่มันรู้แบบอนุบาลตอนหลังมาเออมันก็อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองแล้ก็เพิ่มเพิ่ม ข, ข, ขึ้นไปเรื่อยๆเออแล้วเมื่อไหร่จะได้รูว่าจบปริญญาสักทีหนึ่งนะปริญญาไหนบอกจบปหานะปริญญาสักทีหนึ่งนะ อะไรนะยาตะปริญญาตีระปริญญาปหานะปริญญาพันตัวอริยมรรคที่มาทํากิจปหานะปริญญานั้นเมื่อไหร่การศึกษาธรรมะนั้นที่สําคัญมากที่สุดก็คือพยายามพยายามตั้งใจเลยว่าเขาบอกว่าคนสมัยก่อนพอเขาฟังปั๊บเนี่ยบอกสาธุพุทธสุโพธิตาเขาว่าสาธุดีแล้วความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าเขาเข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร พวกเราบอกว่าอริยสัจรู้แล้วว่าอริยสัจและอริยสัจมันลุย่าอย่างไงเนี่ยนะไอ้ทําไมเราก็เห็นคนแก่คนตายไปตั้งเยอะแยะไปหมดเราก็รู้ว่าตัณหามันเป็นโลภะรู้ว่าถ้าดับสิ่งนี้ได้เนี่ยมันพ้นทุกข์ไอ้ทำไมเรารู้อย่างนี้ทำไมเราไม่เรียกว่าเราเห็นอริยสัจบ้างมันเกิดอะไรขึ้นพยายามตั้งคําถามบ่อยๆเนี่ยนะเรียกว่าปริปุชชาถ้าคนที่ไม่รู้จักตั้งคําถามเลยะนะก็ ปัญญาก็ไม่เจริญเย น, นะการสอบถามการหมั่นไข้ครวนหมั่นตรึกตรองบ่อยๆขยันตั้งเป็นโจทย์ตอบได้ไม่ได้ไม่สำคัญบางอย่างเขาคิดไว้เป็นสิบปีค่อยตอบได้ก็ไม่เห็นเป็นรายเนี่ยนะพเจ้าสแสวงหาอยู่สองบทท่านคิดอยู่ไม่รู้กี่สิบปีท่านก็ยังค้นคว้าอยู่นั่นแหละัางของเราพยายามหมั่นตั้งโจทย์ไว้เถอะถ้าตอบได้เมื่อไหร่ก็ประสบความสาเร็จแน่ตอบได้เมื่อไหร่ก็พ้นทุกนันนะ